จะมีท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องวิสาขาสูตรสูตรที่ว่าด้วยการกระทำของท่านวิสาขะอุบาสกอย่างที่บอกท่านทั้งหลายไปแล้วว่า ประสูตรนั้นเป็นหลักธรรมแสดงที่ประรบเรื่องราวบุคคลมีนิทานมีเรื่องเริ่มต้นตมีความเป็นมามีสาระของธรรมะแล้วก็มีผลสรุปในตอนสุดท้ายว่าหลังจะจบเรื่องเหล่านี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นแนวการบรรยายประสูนร์จึง มองที่ตัวคนแล้วก็มองธรรมะหมายความว่าจะพูดธรรมะข้อนี้จะพูดกับใครแล้วก็พูดยังไงมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟั ง, งท่านจึงเรียกภาษาบาลีว่าอนุโลมเทศนาคือธรรมเทศนาที่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไป สอดคร้องกับลักษณะอารมณ์พื้นฐานของผู้ฟังในกรณีนั้นน <c oughs> ั้นเพราะภาษาในการใช้สื่อบางทีจึงมีนิทานมีตัวอย่างมีอุปมามีข้อเทียบเคียงมีการซักถามกัน <c oughs> จะดูแนวแนวเดิมจริงๆนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับนั่งคุยกัน แล้วในพระบาลีจริงบาลีหลักนะฮะเดิมจริงๆก็ไม่ค่อยมีชื่อประสูตรหรอกชื่อเป็นการเรียกขึ้นทีหลังโดยพระอาจารย์ในรุ่นหลังท่านอ่านจบท่านก็สรุปชื่อให้มันเรียกง่ายเข้าใจง่ายเพื่อจะเป็นเครื่องอ้างอิงแนวเรียงบาลีจริงๆก็คล้ายๆคพบเบิเลนะนะ่นะฮะหนังสือโบราณมันก็เรียงแนวนั้นคือมีเลขข้อมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าไปเรื่อย แต่เพาเราไม่ได้เรียงอย่างนั้นคือเราเรียงตามเนื้อหาของข้อความในที่พูดแต่ละคราวเพราะจึงมียาบ้างสั้นบ้างสำหรับวิสาขาสูตรนี้ก ร, รบรบท่านวิสาขาอุบาสก ซ, ซึ่งมันก็เห็นอะไรอีกอย่างหนึ่ง น, นะฮะท่านวิสาขาอุบาสกปัญจาลิบุตร ก็แสดงว่าแม่ชื่อแม่หรือพ่อเนี่ยะชื่อปัญจลิเตวกา บ, บุตของท่านปัญจลิเป็นอุบาสกระดับดังถ้าตั้งหลายที่เคยอ่านเคยได้ยินได้ฟังครรมภีของนิกายมหายานเขาเรียกว่ามีวิมลเกียรตินิเทศสูตรเป็นครรมภีที่ดังมาก ตัววิมลเกียรติตัวอุบาสกวิมลเกียรติที่เทศเรื่องนี้ที่บรรยายเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นการสะท้อนภาพของท่านท่านจิตตะกลหบดีอุบาสกในสมัยพุทธกาลมันก็คล้ายๆกับเรื่องของพระมาลัยเป็นการสะท้อนภาพของพระโมคคัลลานะ เพราะว่าตามตำนานจริงๆพระมาลายไม่มีนะฮะไม่มีตัวตนไม่รู้ใครเขียนขึ้นที่ไหนคือเขียนทิ้นที่ลังกาลังกาก็ไม่รู้จักอาจจะเขียนในเมืองไทยแต่อ้างที่ลังกาก็ได้แต่สรุปว่าสิ่งที่นำมาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ตัวบุคคลเป็นบุคคลค่อนข้างออกมาทางจินตนาการคือคิดหวังเอาคาดฝันออก ท่านวิสาขประสบปมันก็อยู่ในกลุ่มพวกตัวนี้กลุ่มของท่านจิตตะริมบดีคือว่าเป็นนักพูดนักบรรยายนักแสดงในคำว่าเทศในความหมายเนี่ยที่จริงก็คือชี้คือบอกคือแสดงนะคะเป็นการนำเอาสิ่งที่ผ่านประสบการณ์ของท่านมาแล้วก็มาเปิดเผยแสดง ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไปเทศสอนพระอยู่ในวัดในวัดพระเจตวัน น, า น, านั่นนะฮะพระพุเจ้าท่านได้ยินข้าวแต่ยินก็สอบถามว่าใครเทศใครแสดงพระสนใจพระตื่นเต้นมากนะไปฟังกันมากก็เมื่อทราบว่าเป็นวิสาขาบารสก็เสด็จไป แล้วก็ยกจ้องว่าแสดงธรรมะได้ดีให้ความกระจ่างแจ่มแจ้งแก่ผู้ฟังสำนวนสมัยนั้นก็เรียกว่าสมาทานอาถารดิ้นเิงนะฮะคือใช้คําสอดคล้องสมาทานอาถารดิ้นเริ ง, รงคือมารู้สึกรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเตื่นเต้นรู้สึกปีติประโมดแต่คนก็เอิบอิ่มด้วยการฟังการฟังคนสมัยนั้น คือคนอินเดียนี่เป็นคนที่คนกลางแปลกในปัจจุบันมันก็แปลกเป็นนักพูดนานที่สุดแล้วก็ฟังได้นานที่สุดในโลกเลยนะฮะเอาทั้งโลกเลยไม่มีใครสู้อินเดียก็ได้ขอสามารถฟังการบรรยายรวดเดียว24ชั่วโมงวิทยากรเปลี่ยนกันไปบรรยายเนะี่ยเขานั่งฟังก็ได้ตลอดยีชั่วโมงฟังรุ่งหางรุ่งหางคำเลย แต่ท่านท่านหลาคงคงจะเคยได้ยินอิสลามเดี่เข้ามาประชุมดาวะโลกที่ปัตตานีที่มีบุรีเนี่ยก็ฟังตลอดทั้งคืนเหมือนกันเป็นชาติที่แปลกมากฟังทนฟังนานแล้วก็อยู่เป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ใช่คนสองคนนะมันอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนอยู่นั้นฟังกลางลานกลางหาวเลยเป็ลนลักษณะที่แปลก สนใจศึกษาค้นคว้าสอบถามไม่อิ่ไ ม, ไ ม, ไ, ม, ไ, ม, ไ, มไม่เบื่อในการฟังที่สมัยครูชอบสมัมเขนดีดีนะฮะสแตมัยจดเอเคนดีครูชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินเดียกฤษณาเมนอนไปพูดที่ อ, องค์การสหประชาชาติแปดชั่วโมงผู้คนเดียวนะฮะ 8ปชั่วโมงปูดเรียบร้อยปูดเร็ ว, ป เ, รวเป็นชาติติดแปลกนะฮะเป็นชาติที่น่าถึงมันมีลักษณะทางสายเลือดเขาเป็นคนความจำดีสนใจศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฟังทนไอเรื่องฟังทนนี่ต้องยอมกันเลยฟังได้เป็นชั่วชุ่โมงไม่ไม่ใช่เป็นชั่วโมงเป็นวันน่นะฟังได้เป็นวัน เพรว่าเวลาเวลาฟังในี่ใครจะแสดงก็ตามเขาก็จะตื่นเต้นเกียวกัสนใจในการฟังก็ไม่สนใจในผู้แสดงแต่ใดแต่จะสนใจในในการฟังพระก็ได้คาราะก็ได้แล้พระฟังคาราะก็ได้คารวะฟังพระก็ได้ความหวาไรกันนะขอให้ได้ความรู้ท่านวิสาขอุบาสกเนี่ยเป็นพระยบุคคลระดับพระนาคามี ก็เก่งนะฮะแตกฉานอะธิบายธรรมะก็มาเทศสั่งสอนพระมันก็ไม่ใช่เชิงเทศอะมันก็คุยอะคุยให้ฟังก็อย่างที่บอกไม่จะขึ้นนั่งทำมงธรรมาอะไรนะก็นั่งคุยต่อมาให้ฟังเพราะสมัยพุทธกาลที่จริงไม่มีธรรมาเรานั่งที่ที่พื้นที่อาัศานะนะฮะปูอัศานะเอาไว้ให้มีอัศานะสูงกว่าผู้ฟังก่ที่จริงก็ผ้าพื้นเดียวด้วยกันนะนะแต่ว่า อาสนะจะใหญ่กว่าหน่อยก็สูงกว่านิดหนึ่งก็ซ้อนกันเพื่อเพื่อเห็นว่าตรงนี้สมบผู้แสดงธรรมพระเจ้าทรงแสดงยกย่องสรรเสริญท่านวิสาขาอุปสกแล้วเนี่ยก็รับสั่งสรุปให้ทีประชุมตั้งข้อสังเกตไปว่าคนฉลาดที่ปะปนอยู่ในหมู่คนโดยทั่วไปเนี่ย ถือเราไม่รู้ว่าเขาฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่เวลาใดเปล่งวาจาพูดออกไปเนี่ยจะรู้ว่าคนนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดนแนวที่เขาเล่าอะไรต่อไรนะฮะพวกลาเอาหนังราชสีมาสวมมันก็ไม่รู้ว่าลาหรอกนะแต่พอร้องเนี่ยมันจะรู้ว่าลา พนคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นว่าเวลาพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องวัดความรอบรู้ความฉลาดของคนพอพูดเป็นเข้าใจพูดจับประเด็นของเรื่องที่ตัวเองนำมาพูดได้หรือเปล่าไอ้ น, นี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ยังว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรอย่างไรทาไมเพราะเหตุใดมันจะมีความหมายอย่างนั้นเนี่ยตลาด ซึ่งก็จะเป็นการแนวการพูดแนวการแสดงท่านตั้งหลายลองลองสังเกตว่ามันจะมีข้อความที่เราจะต้องอธิบายเช่นสมมติว่าบุญโจรนำไปได้ยากเราจะเสนอเสนอว่าข้อบุญโจรนาไปได้ยากเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องอธิบายก็คือว่าบุญคืออะไร ทำไมโจรจึงนาไปได้ยากเพราะอะไรเนี่ยไม่ไม่จําเป็นจะต้องอธิบายก็ได้ที่จริงเชี่ยวก็ได้นะ <c ười> คนนั้นดีเห็นไหมคนนั้นดีแต่ว่าต้องอธิบายว่าดียังไงคนนั้นเราชี้แล้วจบเพราะฉะนั้นคําถามเนี่ยมันมันจะบ่งบอกว่าเราต้องอธิบายตรงไหนก็นจะต้องมองอะไรอย่างไรทําไมเพราะเหตุใดอย่างไรทําไมเพราะเหตุใดเนี่ยต้องอธิบาย อะไรใครที่ไหนไม่ต้องอธิบายสนามหลวงกรุงเทพเชียงใหม่เห็นะฮะไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายก็ได้จะอธิบายสักหน่อยก็ได้ถ้าคนฟังไม่เข้าใจเพราะจากจุดนี้ทำให้เราเห็นว่ามีเรื่องบางเรื่องที่ท่านไม่บอกที่ตังเช่นสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไห น, ท, นท่านแม่ท่านม่บายทำไมท่านแม่อธิบายเพราะคนที่ท่านพูดด้วยรู้แลรู้อยู่แล้ว ถ้าเป็นผูส้สวรรค์นรคกับชาบ้านโดยทั่วไปท่านผูก้กเทวดาท่านผู้กัพรหมท่านผู้ก็พระอรหันต์ท่าเหล่านั้นท่านมีประสบการณ์มันมือก็เราพูดเรื่องกรุงเทพว่าตอนนี้สนามหลวงรถเต็มทุกวนันเรอาจอาจอิอาธิบายว่าทำไมรถจึงเต็มแต่ไม่ต้องบอกว่าสนามหลวงอยู่ตรงไหนเห็ น, นะหมฮะ อะไรใครที่ไหนเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็ น, น่ะต้องอธิบายเว้นไว้แต่นะฮะเว้นไว้แต่เราอยู่อีกที่หนึ่งเช่นพูดถึงอำเภอสักอำเภอหนึ่งแถวบนราชธานีเนี่ยเราก็ต้องบอกต้องบอกเสนหน่อยต้องอธิบายเสนหน่อยแต่บางแห่งเนี่ยสามารถชี้ได้นะฮะสามารถชี้ได้หรือว่าผู้ฟังเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องบอก เพราะเพราสิ่งเหล่านี้ จ, จึงแสดงถึ ง, ถงความรับรู้ความเข้าใจว่าคนนั้นฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดอย่างในกรณีตอนนี้ท่านทั้งหลายต้องสังเกตว่ามันมีข่าวที่ค่อนข้างหวือหวาแล้วเมื่อวานก็พิปรายกันที่ถึงสันติเมตรีทำเนียรัฐบาลแล้วมาตั้งข้อสังเกตมานา น, นะแล้วเคยตั้งข้อสังเกตแล้วเคยติงเขา ว, ว่าวิธีการนี้ไม่ถูกต้อง เหมือนวิธีการรายงานจราจรนะฮะบางทีไม่รายงานจริงมันจีบโคศกอะแต่พวกนี้เก่งมากเราชมเขาเขาเก่งมากเขตัดได้ทันทีเลยฟังในเอามาชมที่เขาเก่งหัวไหวมากฮะพอเข้าไม่ดีก็ตัดทันทีเลยขอสายนอกอะไรขอโทษเสียงไม่ได้ยินเนี่ยเขาจะเขาจะนิ่มมากฮะแต่ทีนี้เวลาเนี่ยมันมันจะสัมภาษณ์ทางสายถ้าเรารู้จกกาาักว่านายกรนายขอคนนั้นคือใครเนี่ยสัมภาษณ์ได้ มีคนโทรศัพท์เข้าไปขอแสดงความเห็นถามชื่ออะไรครับอ๋อสมมุติชื่อมานพมานพมีจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเป็นนามสกุลไรบ้านอยู่ตรงไห น, นไม่มีใครรู้เลยนะฮะแล้วเราก็ปล่อยเ้าด่าคนออกทางวิทยุไม่มีใครรับผิดชอบคนที่ปล่อยให้ออกก็ไม่ใช่พูดเองคนด่าก็ไม่รู้นายมานพมันอยู่ตรงไหนไปด้วย นั่นคือการกระทำของคนที่ไม่ฉลาดเด็กก็ไม่ใช่ไม่ฉลาดธรรมดาโง่อกมากๆไงนะฮะตัวเองกลายเป็นเครื่องมือให้คนอื่นระบายอารมณ์ซึ่งอาจจะเป็นมือปืนรับจา้างอาจจะคนไม่ชอบคนนั่นก็ได้นะตัว น, ตนั้นตรงเนี้ยมั น, ม, นมันพิสูจน์ที่การกระทำของคนที่การพูดของคนว่าคนเนี้ยฉลาดไหมที่ทำเนะี่ย วันแนวบางอย่างที่ที่ที่เราพูดถึงป่าฝุ่นทวนลมเออฮะเราป่าเราพูดถึงการป่าฝุ่นทวนลมเราพูดถึงถมน้ําหลายรถฟ้าพูดถึงถือคบเพลิงทวนลมมันแสดงถึงความไม่ฉลาดพอทําไปแล้วปรากฏว่าตัวเองมีปัญหาเองคว้างงูไปพ่นคอเห็นไหมสานวนเป็นการกระทำก้อนคนไม่ฉลาดแต่นะั้นอันนี้ลักษณะไม่ฉลาดแต่นะ ก้างงูแล้วประกฏว่างูย้อนกลับมากัดตัวเองปลาควนทวนลมเราก็เห็นฝุ่นมาเข้าหน้าเราตูมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายก็หล่นบนหน้าเรานี่คือลักษณะของพิสูจน์ว่าคนนี้โง่หรือฉลาดคนโง่เนี่ยเขาห้ามเขาห้ามขยันคนโง่นี่ก็ห้ามขยันเพราะขยันแล้วมันสร้างปัญหา นะอย่างที่ท่านเล่าไว้ในนิทานทศวนตรีนะฮะพพ่อกำลังถักไม้ลูกชายไปนั่งคุยอยู่ด้วยแมลงวันมันตอมหน้าผากพ่อพ่อบอกช่ยไล่ลูกชายก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไล่มันก็มาไล่มันก็มาลูกชายโมโหขึ้นมาก็จับขวานของพ่อจ้องอย่างดีเลยาแมลงวันเกาะปั๊บก็ตีเลยต้องการจะตีแมลงวันนะฮะแมลงวันมันบินได้แต่พ่อบินไม่ได้อะพ่อตายแล้ว นี่คือลักษณะของการกระทำแล้วพิสูจน์ว่าคนโง่ทำไปแล้วเนี่ยมั น, มนแสดงความโง่ออกมาถ้าแกนั่งเฉยเฉยวางมาแต่เฉยเฉยมัเดือดนั่งวางเฉยเคนก็ไม่รู้วมันโง่ทีนี้ท่านท่านท่า น, ท, านท่านวิสาขาเองเนี่ยาก็ชาวบ้านชาวบ้านเน่นะชาวบ้านชาวบ้านเราไม่รู้ว่าท่านเป็นปราดขนาดนั้นท่านเก่งกาจขนาดนั้นแต่พอท่านพูดออกมามันเป็นลักษณะของผาคีริ้วหอดทอง มันคลมขายมันลึกซึ้งมันไพเราะเพราะในแนวการมองตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าบางทีเราจะไม่ติดใจในตัวท่านแต่เราจะติดใจว่าท่านพูดยังไงคนโบราณก็จะคิดอย่างนี้แต่คนสมัยปัจจุบั น, นทีมีฉลาดเกินไปฉลาดจนโง่นิทานนิทานไทยนะฮะท่าศาสตร์พูดได้แล้วปฏิเสธทันทีได้ แต่พอนิทานการะลังศาสพูดได้นี่ชื่นชมมากเลยเป็นเรื่องที่แปลกคือเขาไม่ได้สนใจว่าศาสพูดได้หรือไม่พูดได้เขาไม่สนใจรายละเอียดตรงนั้นแตส่สนใจว่าศาสมันพูดอย่างไงเห็นตว์มันพูดอย่างไามางไมีสหายสองคนเดินทางไปด้วยกันเดินไปในป่าเปลี่ยวกลัวไฟกลัวอันตรายเคลดมาคนหนึ่งก็คุยว่า จะมีภัยมีอันตรายยังไงก็ตามเราหันหลังชนกันอาจจะต่อสู้ร่วมกันอาจจะไม่ชิงกันพูดไปได้หน่อยหนึ่งก็เห็นหมีเดินมา mm. เพื่อนคนที่คุยวิ่งพลวดขึ้นตต้นอยู่ต้นไม้เสรแล้วคนหนึ่งไม่รู้จะทำยังไงก็ลม้มลงกลั้นล ม, ล ม, ล ม, ลมหายใจหมีนึกว่าตายแล้วนะะดมๆแล้วก็เินตึ้นเลยไปเพื่อนก็ลงมาถามว่าหมีพูดว่ายังไง เพื่อนบอกว่าหมีอบอกว่าอย่าคบเพื่อนที่หนีเอาตัวรอดเมื่อมีอันตรายนั่นคือความถูกต้อง ม, อดดมีพูดได้ไปพูดได้อยู่ติดใจมันทําไหน่งเราแต่ตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้คือความถูกต้องเห็นไหมฮะนั่นคือลักษณะของคนที่เขาจะไม่ติดใจในในในรูปรักษข้างนอกเราไม่ติดใจว่าสุนทรผู้ขี้เมามาก มีมีเมียแย่อะไรแต่มีปัญหาทางครอบครัวเราไม่สนใจเราสนใจว่าท่านพูดยังไงท่านสอนอยังไงสุภาสิสอนหญิงก็อยู่กันมาได้ทั้งนานพระภัยมณีก็อยู่กันได้นะเปลือกเก็ต้องไปดูอยู่เรื่อยนี่ก็คือก็ก็คือลักษณะของคนฉลาดเนี่ยเขาจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่อยเวทิตใจในรายละเอียดแต่เขาจะหาประโยชน์เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้น เป็นวิธีการมองของคนทจะหละเขาจะมองตัวนั้นว่าเขาจะได้อะไรจากตัวนั้นท่านตั้งหลายจะเห็นว่าสิ่งที่พูเจ้านามาสั่งสอนบางทีนี่มันมีคนได้ประโยชน์อะไรแล้วนะเช่นเรื่องซากศพมาเรียนจากซากศพเรียนประยาชีวิตหลักของชีวิตจากาศพศพเาจริงก็จริงแล้วเรียนจากอะไรก็ตามพูเจ้าจะหาประโยชน์ได้ทักงหมด พราะสิ่งที่ทรงศึกษาเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ศ ส, สรู้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องพื้นๆเรื่องธรรมดาธรรมด า, ามันสาคัญไม่อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าเรามองอย่างไงเราคิดอย่างไงเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือหลักพลสัตว์บุรุษตรงนี้เราจะเห็นว่าพระท่านก็แห่ไปฟังนะแห่ไปฟังโยมเทศเหมือนกัน ก็ไม่ได้ติดใจว่าเออทำไมจะต้องไปฟังชาวบ้านก็ชาวบ้านก็รู้มากกว่านี่ตรงนั้นแต่ก็ไปฟังเขาเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าท่านวิสาขะท่านอธิบายจากภาคสนามเป็นประสบการณ์ตรงของท่านที่ท่านอธิบายซึ่งบางทีเราเราไม่มีภาคสนาม เราไม่เคยสัมผัสภาคสนามตรงนั้นพอท่านอธิบายท่านสั่งสอนจากภาคสนามในข้อความมันก็ชัดเจนพระเจ้าก็แหไปฟังแล้วพระเจ้าก็มาสรุปว่าเนี่ยเมื่ออยู่ๆในชาวบ้านก็ไม่รู้วท่านเก่งอยังไงท่านก็มาธรรมดาๆรรแต่พอพูดออกมาเนี่ยมันคมคายมันแหลมมันลึกซึ้งมาก ซึ่งบางครั้งบางข่าวเนี่ยครัมันมีโยมอาจารย์อะไรอาจารย์บุญมีเมทางกูรตอนมาบวชใหม่ๆแต่นั้นบวชสักสอง ส, สองพรรษาศคือคือได้ยินประโยคเดียวตัเองเ น, นะฮะได้ยินประโยคเดียวและที่จริงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ได้ยินจากอาจารย์บุญมีแต่ได้ยินจากคนที่ฟังอาจารย์บุญมีเขาไปเล่าให้ฟังเขาอุปมาอุปมาจิตใจของคนเนี่ยนะฮะ ว่าจิตใจของคนเวลากระทบอารมณ์เห็นรูปฟังเสียงดมกลี่นนิมนต์เขาประมาณว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวข้างนอกหรอกแต่มันอยู่ที่ตัวในพอใจเราคิดยังไงมันไม่ใช่ว่าหมายความมารูปนั้นเป็นรูปอะไรเสียงอะไรมันไม่ไม่สำคัญอะไรหรอกว่าพื้นฐานของเราในเราคิดยังไงสภาพจิตเราในเป็นยังไงแล้วท่านอุ ป, ปมาว่าจิต มันก็เหมือนกับพื่อนที่จมาเอามายกตัวอย่างบ่อยๆนะ่ะที่จริงไอันนี่ได้ได้ยินมาตั้งแต่ปศห้าร้อยนะเป็นประโยชน์ที่ยืนคุยกันกลางลานวัดแต่มันมันมันคมมากเลยดีใจมากเลยได้ยินประโยค น, นี้มันเกิดความเข้าใจอะไรขึ้นมาเยอะเลยแล้วเราก็คิดต่อได้นะฮะบางครั้ก็พูดแล้วเราก็คิดต่อได้บอกว่าเหมือนแมลงวันหยอดไข่นะภาพอันชัดมากแมลงวันหยอดไข่ถ้าหยอดไข่ในหินหินไม่มีเชื้อหน่า ทิ้ไม่มีเชื้อแน้าวหยอดแล้วแทนที่จะเป็นไข่ข า, ขาไอ้ไข่นั้นก็ตายลักษณะาอารมณ์เดี๋มากระทบกับกันปัญหาว่าถ้าใจเราไม่มีพื้นความรักความชังในสิ่งเหล่านั้นมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็เป็นสักดิ์แต่ว่าอารมณ์คล้ายๆกับถูกเราถูกละอองฝนเราไม่มีเชื้อหวัดอยู่เลยเราก็ไม่เป็นหวัดเราคิดต่อได้หมดเลยทีนี้จากตรงเนี้ยแล้วก็ทําให้เราคิดต่อว่าถ้ามันเป็นปราเป็นเนื้อ ไอ้ น, นี่ก็คือก็คือประสบการณ์ที่เราพบเห็นแต่ก็อุปม า, มาแมลงวันหยดไข่ ใ, ในหินนะนะฮะไม่อธิบายต่อหรอกแต่เราก็คิดต่อจากตรง น, นั้นโดยคิดต่อได้ไปเรื่อยๆนั่นคือลักษณะคำเป็นความคิดเป็นความแหลมคมที่เขามองโดยสรุปเขามองโดยสรุปแล้วก็เกิดความค้าใจเขาจับประเด็นตัวสาระตัวเนื้อหาได้ เดีวเมื่อวานเด้กเขาไปปลายที่ทำเนียบรัฐบาลนะเปิดวิทยุฝังมันมีคนหนึ่งก็สรุปความดีความชั่วเนี่ยคมนะที่จริงพระเขาสรุปมานานแล้วแต่ว่าถือว่าชาวบ้านพูดอย่างนั้นก็ถือว่าค ม, มะนะถือว่าคมเขาบอกว่าทํำยังไงก็ได้เราไม่เดือดร้อนก็ดเดือดร้อนก็เป็นความดีนี่คมมากฮะสมมับชาวบ้านคิดได้อย่างนี้เราเราถือว่าคมนะ เป็นบทสรุปรวมเราไม่ต้องไปติดใจว่าหิริโอตปะขันติทรจะไม่ต้องไปท่องธรรมะมันยุ่งมันเหมือนกับเลี้ยงดูพ่อแม่นะทํำยังไงให้พ่อแม่ดีใจสบายใจสุขใจพอแล้ววินิจฉัยจากความรู้สึกของพ่อแม่นะวินิจฉัยจากความรู้สึกของพ่อแม่ไม่ได้ไปดูเฉพาะสิ่งที่เราทํำนะสิ่งที่เราทําบางทีเราแยกแนว และดูความรู้สึกของพ่อแม่พ่อแม่ดีใจสุขใจปลื้มใจสบายใจก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นการมองปัญหาในลักษณะเข้าใจปัญหาพระเจ้าก็ทรงแสดงสนับสนุนพระให้คบหาสมาคมกับคนแล้วจะมาสรุปที่ความเป็นสัตบุรุษอสัตบุรุษนะฮะต้ออ่านว่าสัตบุรุษอ่านว่าอสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตะนะ เมื่อวานได้ฟังเขาเขานักปรชาการก็าปีปลายเนี่ยครปีหนึง่งหนึ่งวันหนึง่งหนึ่งเอ๊ะมันใช้มายามกยังไงวะนะเวลนี้ใช้มายามกไม่เคยถูกก็ <c oughs> ปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะไม่ไม่ไม่จะปีหนึง่งหนึ่งวันหนึ่งนไม่ใช่อย่างนั้นด็อกเตอร์นะเมื่อวานพูดว่าเอาอย่างงี้เถอะเลยคือไม่ได้ฝึกการใช้มายามกมายามกเนี่ยเขาต้องซ้อนคําเข้าไปให้หมด ย้อนกลับเข้าไปในความต้องได้เท่าหมายความว่าคําำนั้นเนี่ย ม, มันคนําแล้วมันมีกี่ตัวต้องย้อนกลับย้อนกลับมาต้องย้อนให้หมดไม่ใช่ไปย้อนไปตัดเดีเฉพาะปลายมาย้อนความมันจะไม่ได้ปีหนึ่งหนึ่งหมายความไงทํามากี่ปีเห็นไหมสื่อสารแล้วมันสื่อสารไม่ได้ปีหนึ่งหนึ่งี่คืออะไรเถ้าปีหนึ่งปีหนึ่งก็กี่ปีก็ได้ เราเห็นภาพาปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็หมุนไปก็นหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีอาจจะทําอย่างนั้นแหะทุกๆปีเราเห็นว่าทุกๆุกปนะีเห็นว่าหลายหลายปีแต่ว่าปีหนึ่งนึงนี่ไม่รู้หมายความว่าอย่างไงเพราะสื่อสารมาแล้วเราไม่เข้าใจเพราะงั้นเป็นเรื่องภาษาในการสื่อสารในการสื่อสารที่จะให้เกิดความเข้าใจอย่างหนึ่งพระเจ้าก็ใช้คำว่าสัตว์บุรุษทีนี้ถ้าเราไปอ่านว่าสัตตะบุรุษเราก็นึกว่าคนเจคนมันหมายความว่าอย่างไง สัตตะแปลว่าเ็บูรุษแปลว่าคนไอ้คนเจคนหมายความว่ายังไงนึกไม่ออกแล้วทีนี้ไอ้มันเกี่ยวอะไรกับคนเจ็ดคนลักษณะการสื่อสารภาษาต้องสื่อได้นะต้องสื่อได้สัตตะแปลว่าสงบสัตตะหรือสัปตะนะแปลว่าสงบเราเรียกว่าสัตบูรุษก็มีเรียกว่าสัตบูรุษก็มีแปลว่าสงบนะถ้าสัตตะบุรุษแปลว่าคนเจ็ดคนทีนี้คุณลักษณะของสัตบุรุษ ถ้าเราจะพูดธรรมะนี่จะเยอะเลยเราจะเห็นว่าจ ะ, จ, ะจะมีธรรมะเยอะเลยแต่โดยเนื้อหาสาระว่าสงบอะไรนะเนื้อหาสาระนี่คือสงบอะไรในตัวของเรานี่อะไรจะเรียกว่าสงบที่คนอื่นสัมผัสได้ก็คือกายกรบว่าจายนะคนอื่นสัมผัสได้การกระทำและการพูดทถวนั้นมันจะท้อนกลับไปว่าสงบหรือไม่สงบ แต่ทีนี้กายกับวาจาไม่ใช่ข้อยุติเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจคนเนี่ยมันมีสิ่งซึ่งลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ระหว่างกิเลส ก, กับธรรมะนี่เราแยกไม่ออกความสงบกับความโอ้อวดนะเหมือนอาการสาธิตการแต่งกายนั่งสุภาพสตรีนั่งวางมือเรียบร้อยสวยงามแต่งชุดไทยเรียบร้อยเธอเรียบร้อยจริงหรือเปล่าแฟชั่นโชว์หรือเปล่า เราไม่รู้แต่ตรงนั้นเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเพียงแต่ว่าจิตใจเราไม่รู้มันอาจจะเป็นการสแสดงการการสะท้อนภาพตัวนี้อาจจะเป็นการสแสดงก็ได้อาจจะเรื่องจริงก็ได้เพราะภายในใจเรามันมีมายาเสแสร้งนะฮะมีโอ้อวดมีการแข่งดีนะมีมายามีเสแสร้งมีโอ้อวดมีแข่งดีมีถือตัว ศักดิ์สิักดิ์คนอื่นทําได้เราทําได้แต่ที่เราทำเนี่ยเราต้องการเอาชนะคนอื่นแต่คนอื่นทำเพราะสํานึกว่านั้นคือความดีเห็นไหมจิตใจมันต่างกันแต่มาพยายามตั้งข้อสังเกตคือลองสังเกตว่าเวลานี่เราเราเข้าใจกันว่าสมภาพคือเสมอกัรเนี่ยเราลองสังเกตนักข่าวเราลองสังเกตนักข่าวเด็กรุ่นหลานเลยนะต้นลูกหลานเราอายุสิบยี่สิบกว่านะ มันตีเสมอมันซักผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพ่อเหมือนกับเด็กเหมือนกับครูซักนักเรียนเนี่ยไม่ให้เกียรติไอ้วันนี้คือผู้ใหญ่นะคนรุ่นพ่อนะมีสมาร์คาราวะหน่อยจี้ไม่ฮะนี่คือลักษณะเราเข้าใจอสาภาพะเนี่ยมันผิดเราลองสังเกตว่าเราเร า, เราลูกหัวเด็กกับเด็กลูกหัวเราพื้นฐานความคิดต่างกันนะฮะ เราลูกหัวเด็กเราลู้ด้วยความรักนะถ้าเราไม่รักเราไม่ลูบเลยเด็กต้องพิเศษมากๆที่เราลูบหัวนี่เราต้องรักเขานะชื่นชมเขาแต่เด็กลูบหัวผู้ใหญ่มันมั น, ม, นมันอคติระมันดูหมิ่นนะเห็นั้มลูบหัวเหมือนกันแต่ว่าใครลูบใครลูบใครด้วยนะใครลูบใครด้วยกิริยาอย่างเดียวกันแต่ปัญหาว่าใครทําตรงนี้ใครทำกิริยาตรงนี้จิตมันเราก็กด่าง เด็กลูกหัวผู้ใหญ่แสดงว่าจิตเด็กกระด้างผู้ใหญ่ลูกหัวเด็กแสดงว่าจิตอ่อนโยนเอาเด็กก็ได้นะลูกหัวน้องกับลูกหัวรุ่นพี่เราจะเห็นต่างกันูหัวน้องเราลูบด้วยความรักลูกหัวพี่เราลูบเราดูหมินจิตกระด้างจิตอ่อนต่างกันสภาพจิตนั่นต่างกันเพรดังนั้นอาการที่สงบเนี่ยมันจึงต้องเป็นการสะท้อนจากใจ หมายความไม่ต้องมีใจที่สงบด้วยสงบจากอะไรสงบจากความรู้สึกที่รุนแรงเป็นการประทุษร้ายต่อคนโดยความรู้สึกอะไรก็ตามนะฮะดูหมิ่นแข่งดีเหยียดยำ้ำหรือเสียยากโกรธอาฆาตก็แล้วแต่แต่สรุปว่าสงบจากความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคน ตามปกติคนน่นะคนหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าเราสงบความโกรธได้นะสงบความโกรธได้สงบความอาฆาตพยาบาทได้ก็ถือว่าสงบเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าระหว่างคนกับคนเนี่ยมันมันปัญหาใหญ่คืออยู่ที่ความเป็นเราเป็นเขาสูงความเป็นเราเป็นเขาสูงความเป็นพวกเราพวกเขาสูง บางอย่างเราเระนึกว่ามันน่าจะถามกันได้นะอย่างในกรณีของของมาเลเซียที่ยิงคนก็เราตายไปสองคนนั่นถามว่าเรือประมงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่น่านน้าสากล ค, คุณมีสิทธิ์อะไรมายิงถ้าอยู่น่านน้าของเราแสดงว่าคุณรุกล้ำที่น่านน้าของเราถ้าอยู่นั่นน่านน้ำคุณทํำไมคุณรุนแรงอย่างนั้นทําไมต้องยิง ก็จับเอาก็ได้นะยิงขู่เาก็ได้ทำไมต้องยิงให้ตายทำง่ายเลยจะตอบง่ายนะแต่มันไม่ตอบหรอกเห็นไหมเพราะจริงจริงมันมีความรู้สึกที่ไม่ชอบกันอยู่เป็นพื้นฐานการกระทบกระั่งการของบุคคลชายแดนนะฮ ะ, นะกระทบกระั่งการของบุคคลชายแดนก็หาโอกาสที่จะสร้างความรุนแรงเราคิดว่ามันน่าจะตอบง่ายแต่จริงมันมันมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะ ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะมันลึกๆมันมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ทำไมแม่น้ามเมยอนี่แบ่งกันไม่ได้ทำไมสะพานมิตรภาพข้าสร้างค้างอยู่อย่าลืมไัยกับพมา่ามันโรควันมานาน น, นะนะมันลึกๆเนี่ยมันมีปัญหาภายในใจปัญหาขาดใจดังนั้นการมองต้องมองสาวให้ลึกถึงภายในความคิดด้วยว่าสงบจริงหรือไม่สงบจริง ภาพสะท้อนตรงนี้ในทางพุทธศาสนาแสดงไว้เยอะเล่าเป็นเรื่องราวเป็นบุคคลต่างๆแล้วก็ตักเตือนไม่ให้คนถูกหลอกเพื่อจะวินิจฉัยว่าอาการเรานี้จริงหรือเปล่าโดยเจ้าก็สอนการมีศีลใครมีศีลหรือไม่มีศีลจะต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันนานๆ เพราะเป็นกันนัานๆเราต้องคอยสังเกตต้องคอยสังเกตต้องคอยพิจารณาจึงรู้เพราะอย่างที่บอกว่าคนเรามันมีมายามีเสแสร้งมีโอ้อวดตอนหน้าคนยังถึงแล้หลังยังถึงมันก็ดูไม่ค่อยออกอเพราะมันสังเกตว่าปกติท่านเป็นอย่างไงเห็นไหมว่าบทหนึ่งคนยอมได้เลยว่าท่านเป็นอย่างไงเขาบอกว่าพูดภาษาพ่อขุนออกโทรทัศน์วิทยุไม่ได้ยกเว้นหลวงพ่อขุน ย่อมาท่านเป็นก็ท่านอย่างนั้นแหะท่านเป็นก็ท่านอย่างนั้นเองถ้าไปแก้ตรงนั้นท่านไม่ได้ก็ปล่อยท่านพูดไปปกติเขาเป็นอย่างนั้นเองนะปกติเขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าโกรธใครแล้วพูดอย่างนั้นแต่ที่จริงเขาพูดอย่างนั้นก็ใหญ่โตยังไงก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยนะพูดกับคนกับเด็กนะกับเด็กกับนายกบุตรีก็พูดเหมือนกันเลย ก็ต้องยอมเขาไว้นะะยอมเขาจะเอาเรื่อ ง, องเอราวอะไรกันนี่ก็คือก็คือปกติก็เป็นอย่างนั้นในเราก็ยอมได้แม้บางอย่างอาจจะไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ในที่สุดพอเราปรับประโยมมันก็เป็นที่พอใจของเราแล้วถ้าไม่พูดอย่างนั้นรู้สึกมันขาดอะไรไปด้วยมันขาดบุคลิกมันขาดบุคลิกมันขาดเอกลักษณ์มันขาดสั ญ, ญลักษณ์ ไปเจอหลวงพ่อคูณพูดว่าอัตมภาพขออํานวยพรอัตมาภาพบด ย, ยมันเสียวหลังเลยไม่เคยได้ยินในกาพูดอย่างนี้วพาันพูดอย่างนั้นก็พูดไปเถอะ น, น, นี่ก็คือก็คื อ, คอ ล, ลักษณะที่เราสังเกตและเราก็ยอมรับสภาวะของท่านว่าท่านเป็นก็ท่านอย่างนั้นจะนับถือก็นับถือในความเป็นของท่านอย่างนั้นแหละจะไม่นับถือก็ไม่นับถือแต่ว่าเราจะไป คิดแก้ท่านแต่เราปรับใจเข้าหาท่านอับใจเขาหาท่านก็ยอมรับนับถือตรงนั้นตอนแนวสัตบุรุษจึงมาที่สงบภายในใจนะท่านท่านท่านจะเห็นว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยพื้นฐานของสัตบุรุษก็คือมีศรัทธามีศีลมีการศึกษาสะดับต่อฟังมากมีความเพียรมีสติมีปัญญานะเป็นฐาน นี่คือฐานใจกันทันแล้วตรงเนี้ยที่จริงตัวการสาคัญจริงๆก็คือมีศรัทธา ก, กับมีปัญญานะอย่างอื่นมันมั น, ม, น, ม, นมันมาจากศรัทธา ก, กับปัญญาเท่านั้นเป็นธรรมะหลักในการที่จะเป็นฐานเพราะให้เราลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องมันปัญญาเราไม่พอต่อการวิจัยเราก็ต้องอาศัยศรัทธาไป บางเรื่องมันมีปัญญาพอวินิจฉัยได้ระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งมันไปไม่ได้เราก็ต้องใช้เชื่อเอาจุดหนึ่งนะฮะใช้ศรัทธาเอาจุดหนึ่งคล้ายๆกับเรารู้สถานที่ว่าจะไปบ้านนะั้นไปถึงไหนไปจังหวัดนั้นไปทางไหนแต่พอดีเราจะไปที่หมู่บ้านหนึ่งเอาไปถึงอำเภอก่อนก็แล้วกันค่อยไปถามาแถวนั้นค่อยถามตำบลแถวนั้นก่อน นะเราจะจากใหญ่ไปหาเล็กเราเข้าไปจังหวัดให้ได้แต่ที่จริงเราจะไปที่หมู่บ้านไปอำเภอให้ได้ก่อน<ม>ไปอำเภอแล้วก็ไปตำบลแล้วค่อยถามหมู่บ้านที้หลังเห็น<ม>ั้มตรงนั้นเราไปใช้ศรัทธาเอาตรงนั้นแต่ปัญญาเรามีไปถึงจังหวัดเรารู้จังหวัดนี้จังหวันนดนครปฐมแต่อเภอเราไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เราไม่รู้แต่เราเอาจังหวัดให้ได้ก่อน จากภาคสนามอำเภอตำบลหมู่บ้านบ้า น, านเราใช้สัทธาวเขบอกยังไงเราก็ไปอย่างนั้นนั่นคือภาพวิถีชีวิตจริงๆเราจะเห็นว่าเราใช้สัทธาได้ระดับหนึ่งใช้ปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็ผสมกันสองอย่างก็ถึงบ้านที่เราต้องการจะไปเพรา ะ, ะนั้นความเป็นสัตว์บุรุษคือความเป็นผู้สงบจะมีลักษณะอย่างนัน้ต่อไปมันจะสะท้อนออกมาเห็นความสงบภายในของเทน จะปรึกษาอะไรกับใครจะทำอะไรกับใครจะพูดอะไรกับใครจะคิดอะไรกับใครสี่อย่างนะฮะจะปรึกษาจะพูดจะทำจะคิดมันกำหนดป้าอยู่ที่การไม่เบียดเบียนไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำบุนคคลอื่นเดือดร้อ น, อ, นอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ย น, น, นะฮะถึงเราจะเห็นว่าพอคนพูดออกมาเราเห็นว่าเอ๊ะ น, นี่มันผ่านนี่นะมันผ่านมันไม่มันไม่มีเหตุผลอนะ ก็แบบหมาป่าลูกแกะ ท, ท, ท, ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเม่อวนก่อนมันมีเหตุผลที่คุณพูดว่าฉันไอ้ลูกแกะกวนน้ําขุนไอ้ลูกแกะอยู่ข้างล่างไอ้คุณอยู่ข้างบนขุดได้ยังไงปีนี้ไม่กวนปีที่แล้วกวนแต่ปีที่แล้ ว, ว, ล, วลูกแกะยังไม่เกิดมันกวนได้ยังไงอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลพอแสดงออกมาไม่มีเหตุผลเป็นการพูดไม่มีเหตุผลหรือว่าพูดถึงคน เราจะเห็นว่าเวลลนี่ยเขาพูดตังคนแม้แต่ ว, วิจารณ์รัฐบารัฐบาลเนี่ยพูดไปพูดมาปากคลอยไปไม่ได้เกี่ยววะคุณไม่ได้พูดเรื่องปากนี่คุณพูดเรื่องความสามารถไม่สามารถคุณพูดจะสามารถไม่สามารถยังไงทําไมคุณเอาเรื่องปากเขามาพูดทําไมใ น, นีจมูกโตจมูกชมพูไม่เกี่ยวอะไรเลยประเด็นเสนอมันไม่ใช่ประเด็นตรงนี้คุณหลบประเด็นนี่นะคุณไม่ได้พูดในประเด็นเห็นไหม มันปรึกษาแล้วมันเบียดเบียนคนอื่นหาเรื่องเบียดเบียนก็ผ่านนะ่ะเพราะว่าประเด็นที่นําเสนอบางคนละประเด็นกับที่อภิบายที่ที่พูดออกไปที่จีแจงออกไปเขาเรียกว่าพูดแล้วมันมันทําตนเองก็เดือดร้อนทําบุคคลอื่นเดือดร้อนถามว่าใครเดือดร้อนที่จริงเราเดือดร้อนนะเขาไม่เดือดร้อนหรอกก็ไม่เรื่องคนที่เราพูดถึงคนที่เราโยมทีเขาเขาไม่เดือดร้อนแต่เราจะเดือดร้อน นั่นคือพื้นฐานของสัตบุรุษว่าเวลาสะท้อนออกมาคนเห็นความสงบภายในเออนี่ไม่ใช่ริษยาไม่ใช่แข็งดีไม่ใช่โอวดไม่ใช่มายาแต่ว่าเป็นการชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆนั้นด้วยความเป็นธรรมประเด็นมันเป็นยังไงก็ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วคนฟังเนี่ยเขก็เข้าใจเข้าใจาเออมันก็ถูกต้องเป็นเหตุผลที่ควรแก่การรับฟังประการใด แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีการนำเสนอแล้วเนี่ยปัญหาสำคัญอยู่ที่ภาคปฏิบัตินะเราจะเห็นว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันจะสอดคล้องกันนะเราพูดถึงยาเราพูดถึงการกินยาเราพูดถึงการหายมันพิสูจ ต, ตรงไหนมันพิสูจน์ตรงหายพิสูจน์ตรตงโรคหายมันไม่ใช่พิสูจน์ที่ยานะยาทดลองนง ยาทดลองกินก็ทดลองได้จริงครัก็ถ้าหายนะเออจริงมันจะย้อนกลับมายืนยันข้างล่างว่ายานี้จริงยานี้ดีจริงแล้วก็ควรจะกินกินแล้วมันหายเห็นไหมพิสูจน์กลับมาจากตอนปลายตรงนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายทั้งข้อสังเกตธรรมะที่พระเจ้าสอนธรรมะที่พระเจ้าสอนทั้งหมดนั่นสอนจากปลายนะครับพระเจ้าสัมผัสแ ล, แล้วจึงสอนเห็นไหมฮะ ไม่จะสอนจากทฤษฎีอย่างวิชาการหลายที่เราที่เราสอนเราสอนเป็นเป็นทฤษฎีซึ่งพอปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ไอ้เราสังเกตว่าที่เราประมาณการหรือประเมินผลไว้มันไม่ยุติแล้วเพื่อนค้านทุกทีไม่ว่าใครทําอะไรก็ตามนะฮะพอผลออกมาแล้วจะมีไม่เป็นอย่างที่ว่าหรือว่าถูกคัดค้านตั้งแต่เสนอเป็นรูปทฤษฎีขึ้นมา เพราะจริงๆแล้วทั้งหมดไม่มีใครสัมผัสตรงสิ่งที่สอนจะสัมผัสทรงเฉพาะมีธรรมะท่านนั้นเองนะธรรมะท่านผู้สอน พ, พระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนจากที่สัมผัสหมายความว่าใครก็ตามที่เอายกตัวอย่างว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ที่สงสอรเนี่ยเพาความเดือดร้อนตั้งหลายพระเจ้าบอกไอ้นี่มันร้อนร้อนี่ ปัญหาร้อนทั้งหลายถามมาร้อนเพราะอะไรตั้งปัญหาถามแล้วส่งตอบเองนะเกณฑอดีตั้งร้อนเพราะอะไรรู้ไหมร้อนเพราะไฟราคะเพราะไฟโทสะเพราะไฟโมหะอ่ะเพราะอะไรเพราะเกิดเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะอะไรอ๋อมันมันมีไฟแล้วถ้าเธอถ้าเธอไม่เกิดมาเธอไม่ร้อน่อะก็ต้องลงมาร้อนสองอย่างไอ้ไฟคือกิเลสมันมีอยู่ในโลกนี้แต่เอาก็จริงปรากฏว่าคนในโลกนี้ไม่ร้อนทั้งหมด นะไม่ร้อนทั้งหมดคนบางคนไม่ร้อนเลยทั้งๆ ท, ที่ท่านเกิดมาแต่ท่านดับไฟราคะโทสะโมหะได้ท่านไม่ร้อนแล้วเราเองมีเรื่องเยอะที่เราไม่ร้อนในขณะที่คนอื่นก็ร้อนเห็นไหมฮะเราไม่ได้ร้อนตามเสมอกันหมดไ่ไหนเปล่าเราไม่ได้ร้อนตามมลลักษณะอากาศตัวนี้เยน็ยนๆตัวนี้ถามมารู้สึกยังไงนะท่านตอบไม่เหมือนกันนะ บางคนมันหนาวาไปบางคนก็พอดีบางคนว่าร้อนไปอาจจะเพิ่มอีกนิดแต่นะมันอยู่ที่พื้นฐานเราอากาศมันเท่านหร่อุณหภูมิเรามิเตอร์วางภาัเท่าเดิมแต่เราเองมันมีพื้นฐานต่างกันเรามีความรู้สึกต่อความเย็นในขณะนี้ไม่เหมือนกันเพตอนลักษณะอารมณ์มันจะมีอย่างนั้นว่า อีกอย่างหนึ่งคือหมายความว่าแม้เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายอยู่แต่พอดีไม่มีไฟราคะโทสะโมหะเราก็ไม่ร้อนเหมือนกันมันมีไฟราคะโทสะโมหะอยู่ในโลกเนี้ยแต่เราไม่เกิดมาเราก็ไม่ร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าร้อนมันก็ต้องมีสองอย่างมหมายความว่าเธอเกิดมาด้วยและเธอมีราคะโทสะโมหะอยู่ภายในใจด้วยถ้ามีอย่างเดียวไม่ร้อนเห็นไหมพระพุทธเจ้าที่จริงก็ team, ยังมีชีวิตนะฮะยังมีชารามนต์โศกะอยู่มันใช่โสกะไม่ไม่ไม่ไมีมีชารามนตะ มีแก่มีเจ็บมีตายมีแก่มีเจ็บนะมีแก่มีเจ็บมีตายแต่พระพุทธเจ้าไม่ร้อนเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีไคราคะโทสะโมหะทีนี้คนทั้งหลายที่พระหานตนิพัานแล้วนะฮะพระหานตินิพัทธแล้วมาความตายแล้วนะฮะท่านไม่เกิดอีกราคะโทสะโมหะก็มีอยู่ในโลกนี้แต่ท่านไม่ร้อนเพราะท่านไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตให้ร้อนทีนี้ เรามาดูว่าปัญหาต่างๆในโลกที่ผู้เจ้าร้อนเนี่ยบอกว่าร้อนท ร, ทรงใช้คำชีวิตปัจจุบันตรงนี้คิดง่ายอีกนะฮะว่าอัตตาอันตนยะหมายความว่าเราเอาตนเข้าไปเกี่ยวตรงนั้นหรือเปล่าตนสิ่งนั้นเกี่ยวเนื่องกับเราหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวเนื่องเราไม่รอนนะถ้าไม่เกี่ยวเนื่องเราไม่รอนถ้าเกี่ยวเนื่องกับเราเกี่ยวเนื่องในฐานะอะไร ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยเราก็ไม่ร้อนนะนะเช่นว่าญาติพี่น้องเราเกิดอุบัติเหตุตายอุบัติเหตุไม่ตายมันก็แปลกกันนะมันก็ตายคนอื่นก็ตา ย, มตายไม่ตายาเฉพาะพี่น้องเราที่ไหนแล้ว ต, ต, าตายก็ตายตายก็ทาศพจะทําทไงเราก็ไม่ร้อนเหมือนกันนะเห็นไหมมันเกิดรู้เท่าทันเรามีราคะมีโทสะมีโมหะเราก็มีอัตตามีชีวิตแต่พอดีเราเกิดรู้ ตรงนั้นตรงนั้นเราไม่ร้อนแต่ว่ามันก็จะเหมือนลักษณะอะไรถ้านึกออกฮะเหมือนกับตอนที่หานุมานไปทําลายพิธีของโทศการอันนี้ภาพชัดมากหมายความภายในจิตของโทศการมีราคาโทรศัพหมเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นแต่แกต้องการเอาชนะให้ได้ต้องการฝึกกายสิทธิ์ได้ได้และถ้าถึงวันนั้นแล้วพระราจะทําอะไรไม่ได้ไดมีข้อแม้ว่าถ้าอีกิเลสพวกนี้ฟูขึ้นเนี่ย ราคาโทสามาสักอย่างเนี่ยฟูขึ้นเนี่ยจะเสื่อมตาบะจะไม่กายสิทธิ์ทีนี้ฮนุมา ก, ก็ต้องมองว่าจุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยใครจุดอ่อนมาอยู่จุดไหนโทษการจุดอ่อนคือขี้โกรธแต่จุดอ่อนของแกคือขี้โกรธถ้าไปยั่วด้วยด้วยราคะเนี่ยลำบากเพราะแกได้สมาธิแล้วแกนั่งสมาธิเแล้ว สมาธิไปตียากนะคนได้สมาธินี่เอากามฉันไปยั่วาได้ยากเพราะมั น, ม, นมันเป็นตัวกดตัวตัวตัวกรมฉันอยู่วิธีจะยั่วคือโทสะเห็นไหมด่าว่ายังไงยังไงไงปรากฏว่าเอาไม่อยู่ต้องใช้กําลังสองใช้กิเลสกาลังสองเเห็นไหมเอานางมณโฑมาย่ายีมันมีทั้งราคะทั้งโทสะตัวนางมนโทนั้นเป็นราคะแต่ตัวมาย่ํายีให้เกิดโทสะ กิเลสบวกสองแรงแข่งขันพังทศการพังเลยตะบะแตกอยู่ไม่กี่วันก็ถูกพระรามฆ่าตายเห็นนะนี่เราเราเห็นได้ชัดว่าปัญหาสาคัญอยู่ภายในใจกันเป็นภาพบางทีก็ใช้สองแรงบางทีก็ใช้แรงเดียวบางทีไม่ต้องใช้แรงเลยไปแล้วนนนี่ก็คือก็คือขึ้นอยู่กับคืน้นกับพื้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นว่าเขามีความสงมบอยู่ภายใน ความส ง, งบขนาดไหนสัตว์สัตว์ปรุษอย่างลึกมันก็ไปโน้นเลยนะไปถึงพระอระหันต์เลยเสมอก็มีรถลั่นกันขึ้นไปหมายความว่าส ง, งบระดับใดล่ะบางท่านก็เอาขนาดระดับศีลศีลที่อยู่ในสถานการณ์ปกติด้วยนะฮะหมายความว่าไม่ใช่รับศีลแล้วก็เดินไปเจอทองทั้งร้อยบาทอย่างเนี้จะให้รักษาศีลก็ทินนาทานอยู่ก็โอ้โหมันก็ยิ่งใหญ่มากนะแต่รักษาได้เนี่ย นะครัวศีลมันจะแตกซะก่อนนนัเห็นไหมมันต้องไม่มีตัวกระแทกรักษาอยู่ได้สุภาพเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยศีลจะเอาไมา่อยู่เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใจเรา ย, ยังไม่ได้แก่เห็นไหมตัวสิ่งนี้มันกระตุ้นราคาโทาโรศัพท์หัวโลภะโทรศัพท์หัวเกิดไปปริมาณมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเราส่งตัวได้ถึงจุดหนึ่งเราสง่ไ ง, ง, าสงไม่ได้ ใจเราก็ส่งไม่ได้ดังนั้นการความเป็นสัตว์บุรุษที่สงบเนี่ยมันจึงเรียงึ้นเป็นชั้นๆว่าสุดยอดของสัตว์บรุษดตูต้องต้องเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพระอาาริยะาานะฮะหมายความขึ้นถึงระดับพระอาาริยะแต่พระอาาริยะท่านมีจุดอ่อนนะฮะพระโสดาบันก็ยังมีจุดอ่อนพระจักกะตาคามีก็มีจุดอ่อนพระนาคามียังมีจุดอ่อนคนไม่มีจุดอ่อนเนี่ยมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองคืออะไรซึมไม่ได้นะฮะอะไรซึมไม่ได้ เราได้ยินว่านางวิสาขาหลานตายร้องให้เห็นนะฮะยังมีศกอนาธิบินธิกะเศรษฐีลูกสาวตายร้องให้พระสวดานะฮะระดาบันนะยังร้องให้ก็แสดงว่าท่านยังมีจุดทำลายตรงนี้ไม่ได้เคาะดูตรงนี้ทำลายไม่ได้แต่หาจุดทำลายได้ยังมีจุดอ่อนที่จะทำลายแทนได้แต่ไม่แรงแล้วนะทำลายได้ ไม่แรงเพราะว่าแข็งแข่งมากจิตใจท่านเข้มแข็งมากเพราะ้นความเป็นสัตว์บุตรจึงสงบถึงใจแล้วแสดงอาการออกมาในรูปของการให้ทานเนี่ยเราบอกให้ทานโดยเคารพคําว่าทานมันไม่ได้หมายถึงให้พระนะฮะไม่ได้หมายถึงให้พระให้ใครก็ได้คือคือให้คนอื่นนะให้แก่คนอื่นท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่า การให้ทานจึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ดัมเบลตีกับบุคคลอื่นเพราะปัญหาในโลกนะั้นปัญหาจากโลกโกรธลงนะฮะ โ, โลกโกรธหลงเนืราคาโทวสัามโมหัเนี่ยแต่การที่เราสามารถให้ทานได้แสดงว่าเรามีความรู้สึกดีต่อคนที่เราให้เห็นไหมฮะเราไม่โกรธไม่อาคตาิพยาบาทมีความรู้สึกเป็นมิตรอาจจะเคารพนับถือศรัทธาอะไรแต่ไรก็แล้วแต่แ ต, แต่ความรู้สึกดีนะฮะถ้าไม่ดีไม่มีทางให้ได้ เช่นท่านโกรธท่านเกียดเนี่ยไม่มีทางให้หรอกเพราะงั้นแสดงว่าคนเนี่ยเราลดโลภะลดโทสะได้ของของตามปกติคนหวงคนคิดเหนียวคนเสียดายคนเห็นแก่ตัวคนนึกถึงตัวเองเราให้คนอื่นได้เนี่ยแสดงว่าเราไม่เสียดายของเราให้ความสำคัญแก่คนมากกว่าของ เห็นความต้องการแกมิมตรม่ตีมากกว่าของเห็นความต้องการแกบุญมากกว่าของอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็ให้ไปไแสดงว่าตรงนี้มันลดอะไรมันลดโลภมันลดโลภมันลดตรณีลงไปแต่ตี น, นี้มันก็ดูว่าเราให้โดยเจตนาอะไรเพราะให้ไปแล้วบางทีเป็นโทสะนะฮะถ้าเราให้โดยโลภเนี่ยมันจะตีกลับเป็นโทสะหรือโศกบางทีก็ตั้งใจ ่บริจาคคราวนี้จะขอเป็นคุณหญิงจะได้เป็นคุณจริงเห็นไหมมันบริจาคโดยโลภะบริจาคโยโลภะก็อยากได้เป็นคนจริงยังเสียดายของของเสียดายแต่อยากได้ยศอยากได้เหรียญมากกว่าของคนน่ะคนไม่ค่อยศรัทธาอะไรแ ต, ไแต่เห็นว่าคนนี้สามารถจะให้เราได้เหรียญเห็นไหกับคนเราก็ไม่รู้สึกดีนะกับของเราก็ยังรู้สึกเสียดายกิเลสไม่ลดทั้งคู่ กิเลสไม่ลดทั้งคูกับคนกิเลสโทสะก็ไม่ลดกับของกิเลสสายโลภะก็ไม่ลดเพราะว่าถ้าได้นะฮะถ้าได้จะรู้สึกดีต่อกด น, นะแล้วจะรู้สึกไม่เสียดายของถ้าไม่ได้นะจะรู้สึกเสียดายของจะรู้สึกโกรธกดเห็นไหจะรู้สึกเสียดายของจะรู้สึกโกรธกดแล้วเสร็จแล้วทําอะไรไม่ได้ก็โศก มกรุ่มมังเตค่า้ขึ้นเลยที่ไขขึ้นเลยที่ต้องจ่ายสตางค์เพิ่มนะฮะไปทัศนาจรถออกไปเที่ยวบัรรเทาความโศก ค, ความเสียใจนั่นคือคือคืออาการที่เราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งคล้ายๆกับปีความเป็นสัตว์ประุล แต่ส่วนหนึ่งมันเกิดไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของสัตว์บุตต้องให้ทานโดยเคารพเคารพใจตัวธรรมะคือทานการให้ทานนี่ดีเราได้ลดกิเลสของเราเราได้ช่วยเหลือคนอื่นสิ่งนี้เป็นบุญติดใจตัวเองเห็นไหมเราต้องการผลที่เป็นนามธรรมเราไม่ต้องการผลที่เป็นรูปธรรมผลคือคุณภาพของจิตให้ไปแล้วสมมติว่าทาบุญตักบาทไปแล้วนะอาหารไม่ดี หรือว่เห็นพระเอาอะไรเอ า, เอาดอกบัวไปโยนถังขยะจะขึ้นตื่นไปจเรื่องการแกเรื่องการแก่เราได้ทําไปแล้วเราไม่สนใจนะฮะท่านเอาไปทําอะไรมันเรื่องของท่านเราบุญที่เราควรทําเราได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงดูลกูกเลี้ยงดูลกูกมีความเจริญเติบโตตั้งตัวได้เป็นหลัเเกเป็นฐานเป็ฝั่งเป็นขาลูกจะกระตันอยู่หรือไม่มันมันไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้เกี่ยวพราแม่จริงๆก็จะไม่สนใจะนะเพราะแม่บางคนไม่ยอมเอาเลยซ้ำไปนะลูกมาส่งเสียใหยน้นะไม่ยอมเอาเลยซ้ำไปแต่ว่าหน้าที่เรา เ, เราทําแล้วเรียบร้อยจบนั่นคือลักษณะสัตว์ุระหสัตว์ปรุษท่า น, ท, านท่านจะไม่คิดจะไม่คิดผลกลับที่เป็นรู ป, ปรวัตถุแต่ท่านมองที่พัฒนาการทางจิตของท่านเพราะฉะนิตท่านสงบหมด นะเขากตันอยู่ท่านก็มุติตากับเขาอนุโมทนาเขาชื่นชมยกย่องเขาเขาไม่กระตันอยู่ก็ท่านก็มองเป็นอุเบกขาก็เป็นกรรมเห็นไว้ใจท่านเย็นตลอดเขากรตันอยู่ท่านก็เย็นนะเขาไม่กระตันอยู่ท่านก็เย็นเพราะงั้นเป็นสัตว์รูปจึงเป็นยากเป็นสัตว์รูปเป็นยากพอดูมันไม่ค่อยสงบนะภายในไม่ค่อยสงบ เพราะว่าการทำของคนเราส่วนใหญ่มันแบบตกเบ็ดไปเสห ม, มดแบบตกเบ็ดไปเสห ม, มดตกเบ็ดอะไรคือให้เยอะน้อยน้อยนะมันคิดความคิดแบบแทงหวยความคิดแบบแทงหวยความคิดแบบเล่นสลากินแบงความคิดแบบนะเกมโชว์จึงอยู่ได้มากไงเห็นนั้นลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่ต้องการลงทุนน้อยแต่ก็ได้มากๆเป็นพื้นฐานของการตกเบ็ด ถ้าไม่ได้แล้วจะงุดหงิดนะฮะจะเกิดโทสะจึงไม่ใช่เป็นวิธีการกษัตริย์บุตรวิธีการของพรานเบ็ดพรานเบ็ดจึงมีดีดใจเสียใจกับปลาที่ตัวเองตกได้หรือไม่ได้นะบางวันก็หน้ามุยมาเลยไม่ได้ปลาบางวันก็ยิ้มมาตั้งแต่ไกลว่าได้ปลามากๆเพราะใจก็ผูกก็แพงไปตามปลาที่เขาได้นั่งตกจะตั้งนานไม่ได้ปลาเลยเขาก็รำคาญแล้วหงุดหงิดแล้วเดือดร้อนแล้วพอได้ปลาเขก็ดีใจ ใจมันก็ฟูแฟบอยู่ตลอดตดุกขะแต่ว่าคนที่เป็นสัตว์บรุษมาเขาจะเขาจะจับหลักข้างข้อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจึงมาสรุปรวมทั้งหมดว่าสัตว์บรุษก็คือมีสัมมาทิฏฐิเห็น ไ, ไหมว่าไปตั้งเนือเยอะเลยเจ็ดข้อนะฮะเจดข้อมาเยอะเลยสรุปรวมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นคือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลเรื่องบางเรื่องเราต้องยอมรับรับถือคนอื่นเข้าบ้างนะฮะ เราก็ใช้ศรัทธาเรื่องบางอึ่นเราเราวิเคราะห์วินิจฉัยได้อนะย่งอย่างอย่างอย่างเมื่อคืนเนี่ยจเจอก็คงต้องคุยกันหน่อยลนะพวกอดีตรัฐมนตีกล่านะฮะนั่งวิพาควิจารดาเพื่อนทุกทีคนนี้โผลมาด่าเพื่อนเลยเอามาเตือนก็ถิงนะ้งแวันวนก่อนเจอกันที่วัดเป็นจังหคนเรามันเริ่มถึงมันก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะให้เวลาเขาหน่อยจีตัวเองเป็นมาตั้งแต่สองสามมนี่ย เป็นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเปรมอ่ะมันก็พัฒนานภาคสนามกว่าเขาสิคนอื่นบางคนก็เพิ่งเป็นน่ะมันจะให้จํานี้จานานรอบรู้ไปเหมือนตัวได้ยังไงมันก็ต้องให้โอกาสถ้าไม่งั้นแล้วคนเราจะเรียนรู้ได้ยังไงมันต้องมีคนเข้ามาเรียนรู้คนถึงมันเริ่มถึงมาจากไม่รู้ทั้งนั้นแหละแต่ค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนค่อยๆมีความสามารถมีความเข้มแข็งขึ้นถ้าไม่เปิดโอกาสต้องเอาผู้จานานการทั้งนั้นแล้วผู้จานานมาจากไหน ภูจมานมันเริ่มมาจากการเรียนรู้นี่นะก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้พอสมควรนะนะฮะไม่ใช่ว่าตัวเองมีประสบการณ์ทั้ง10 บ, ส, บ, ส, บสิบกว่าปีแล้วก็ไปไปวินิจฉัยเพื่อนที่มีประสบการณ์แค่3เดือนอย่างนี้มันก็ทารุณไปไหนความเห็นมันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันต้องมีความเห็นชอบคือเป็นสัมมาทิฏฐิว่าเออเขาก็เป็นอย่างเงี้ยนี่เด็กเด็กก็เป็นอย่างเงี้ยเออคุณจะเอาอยัางไงอ่ะ ใ้เด็กคิดได้สมบูรณ์ที่แม้แต่ว่าไอ้ดาพระตําหน่พระอยู่วันนีื้วงนี้ก็เหมือนกันนะพระเป็นใครโจมตีพระสูบกัญชาอาตมาอ่านปั๊บอาตมาบอกพระนี้เพิ่งบวชเขาบอกพระสูบกัญชาบอกพระเพิ่งบวชคุณไม่ดูเถอะเก็จับพระสูบเพโลอินที่ปากน้ําได้อาตมาบอกพระว่าพระใหม่เราไม่ต้องอ่านนะบอกปั๊บเราบอกปุ๊บเลยบอกพระใหม่ เพราะไรพระสูบเพโร อ, อินจากเป็นพระไม่ได้หรอกไม่รู้เลยสําหรัเฮโรอินคืออะไรแต่วิธีการของสังคมไทยนั้นคือตัดหางปล่อยวัดเราต้องนึกสังคมไทยลูกคนไหนที่เอาไม่เอาฐานไม่เอา ท, าทาั้งฐานไม่เอาทั้งขี้เท่าแล้วเอาไปฝังหลวงพ่อที่วัดมันเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะมาขี้เรือนก็ทิ้งวัดแมวพิการก็ทิ้งวัดสารพระภูมิหักก็ทิ้งวัดพระพุทธรูปแตกหักก็ทิ้งวัดคนไทยมันเป็นอย่างนั้นแล้วพยวนต์แล้วไม่รับผิดชอบ แล้วมาด่าหลวงพ่อพระเนไม่ได้ราะก็คุณเอาอมาเองอะ่ะคุณเอามาเองแล้วมาด่าทําวัสดสกปรกในรกรังก็คุณทิ้งเองอะ่ะที่สารพระภูมิที่ต้นโพนี่คุณไปดูสารพระภูมิเกลื่อนไปหมดเลยก็โยงออกมาทิ้งทั้งนั้นเสร็จแล้วมายืนด่าถ้าเรามองเป็นสัตว์ุรุจนั้นเราเราก็มองว่าเออฟังคงแกติดมาก่อนน่ะ รัชการที่สามมีคนไปนฟ้องพระใน เ, เรื่องแรงนะฮะเรการที่สามท่านว่าอย่างไรเจ้ากูจะสนุกของเจ้ากูบ้างช่างเจ้ากูเถิดท่านรัชการที่ห้านั่งเรียบเรียบคลองนี่ครองคลองอะไรคลองปะดุงไปเจอพระวัดเทวศอะไรวัใกล้ใวัดอาชาใกล้ใก้ท่อสุกีเดวมาสุนทรอะไ ร, ะไรเดินว้า นี่ขาราการผู้ใหญ่ตามเสด็จไปด้วยโอพระเดี๋ยวนี้ไม่เรียบร้อยเล่นว่าวาการที่ห้าบอกก็ดีกว่าพ่อมืองเนี่ยก็เล่นว่าวมันผิดหาอะไรนักหนาจะหลงเห็นไหมฮะจริงๆมันไม่ได้ผิดอะไรก็เด็กอะราเบิงบวชมานี่กรติดนิสัยเล่นว่าวมาจากข้างนอกอะอันนี้ก็เราหมาฝึกนะศาสนามันที่ฝึกคนมันไม่ใช่สําเร็จรูปมันไม่ใช่เอาพระสังทองมาจุ่มลงในทองแล้วเป็นทอง สิกขาบทแต่ละสิกขาบทนี่คือเอามาฝึกโยมเห็นว่าพระบางทีก็อายุน้อยกว่ายอมเยอะเลยโยมยังทําไม่ได้ศีน่ายังรักษาไม่ได้แล้วยมจะเกณฑ์ให้พระรักษาศีนต้อง227พวดเดียวได้ไงก็เกิดมาจากที่เดียวกันนะพระก็เกิดมาจากคนนะพระก็เป็นลูกโยมอ่ะก็แม่ยังทําไม่ได้พ่อยังทําไม่ได้อะจะให้ลูกทําได้ทันทียังไงมันก็เอามาฝึกกันน่ะเห็นไหมความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมันโลกธาตุเป็นชัดเจน จะมองโลกชัดเจนเพราะไอ้โลกกระทัดเลเขาว่าไ อ, อ้วิชั่นไ อ, อ้วิสัยทัศน์อะไรเดียวกว่าเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าญาณนะทัศน์ตึงรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เธอพูดวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เลยมัต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงใ น, นเมืองไทยจะต้องมีอย่างงั้นอยงนจะต้องพัฒนาอย่า ง, ง น, างงนางงั้นอย่างนั้นยั้นอย่างไงเออเธอจะเอาไฟฟ้าเข้าไปตอนนี้รายได้ยังไม่พอจ่ายอยู่เนี้ย มันต้องพัฒนาอาชีพพระก่อบมันต้องเสียค่าหม้อไฟต้องเสียเสาไฟเสียสายไฟเสียค่าไฟเสร็อะไรอะไรเธอต้องพัฒนาต ร, ตรงนี้จะก่อนเธอขึ้นเอาไปก็เป็นหนี้กันตายเลยรายจ่ายเพิ่มรายได้ไม่เพิ่มะเห็นไหมวิสัยทัศน์หมายความว่าต้องมีความรู้ความเห็นทำความเป็นจริงเป็นสมาธิฏิวิสัยทัศน์จริงๆในพุฒิศาสนาจริงๆก็คือสมาทิฏิเรียกเต็มรูปปนะัญญาทัศนะคือรู้เห็น ความรู้แล้วก็เห็นตามที่รู้รู้ตามที่เห็นแต่บางทีเราพูดทั้งๆที่เราไม่รู้จะเยอะเลยมันไม่ใช่มีวิสัยทัศน์เราลืมไปว่าอาจมายังยังมองว่าสังคมลืมจุดหนึ่งสังเกตนะฮะสังคมลืมไปว่าโลกาภิวัตโกบอลไลเซชันอะไรอะไรก็ช่างเถอะคนในเราพัฒนาไม่ทันหรอกคนในจิตใจคนเราพัฒนาไม่ทันโลกจเจริญยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าคนนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาทั้งปวงมันเกิดจากคนทท่ง น, นั้นเนี่ย โลกก้าวหน้ารวดเร็วเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปแต่เราพัฒนาคนทันได้เปล่าปัญหาคงจะเป็นปัญหานอกจากว่าเราพัฒนาให้เขามีสมาธิิในแต่และระดับนะเพื่อจะดำรงชีวิตแบบสัตว์ุระหหรืออย่างน้อยก็ตามตามตามหลังสัตว์ุระหวันนี้ก็ข อ, อยึดติดไวด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยโทกานทุ ก, กท่านทูน